คุณไม่มีทางหยุดเสียงด่าจากปากคนอื่นมีแต่ทางหยุดเสียงโต้อตอบจากใจตัวเองเสียงด่าที่น่าเจ็บช้ำที่สุดในโลกคือเสียงด่าตัวเองซ้ำๆเสียงด่าตัวเองอาจหมายถึงเก็บคำด่าของคนอื่นมาเล่นวนซ้ำในหัวโดยไม่ตั้งสติทำอะไรกับเสียงนั้นเลย เสียงด่าที่ถูกเล่นวนในหัวไป น, น, นานๆจะกลายเป็นแรงกดดันให้นึดอยากโต้ตอบแรงเท่ากันหรือแรงกว่านั้นซับซ้อนกว่านั้นอีกทีก็ยอมจำนวนรับคำด่านั้นไว้เป็นเส้นน้ำทิ่มแทงใจตลอดการไม่ว่าเสียงด่านั้นจะตรงหรือไม่ตรงกับความจริงก็ตามแต่ถ้าคุณฝึกสติรู้เข้ามาที่ใจ เห็นสภาพทางใจอันบอบชำ้ำเห็นปฏิกิริยาทางใจที่ดีดแรงเห็นอาการของใจที่วนเวียนคิดโต้อตอบแล้วเกิดสติรู้ว่าใจเหมือนวัตถุร้อนๆชิ้นหนึ่งหรือเหมือนสัตว์ลำบากที่กำลังดิ้นปัดปดสตินั้นจะทุเลาความทรมานลงหรืออาจกระทั่งยุติทุกข์สงบเย็ยนลงได้ชัวราว นวินาทีแห่งความสงบใจลงคุณจะเห็นถนัดว่าหนึ่งเสียงด่าของเขาอย่างไรก็มีขนาดไม่เท่าร้อยเสียงด่าของคุณเองพอหยุดเล่นวนเองได้ความผาสุกสงบก็บังเกิดแก่ใจตนเองที่ตรงนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนใจเปลี่ยนจากความเป็นงายงายขึ้นเห็นโลกความจริงด้วยตาเปล่าเห็นว่าจะใช้ชีวิตมานานแค่ไหนปรับปรุงตัวอย่างไร ก็ไม่มีวันหลุดจัดทันท ถ, ถานอันแวดล้อมด้วยเสียงกลด่าอึงอล น, นี้เมื่อใจเกิดสติรู้ชัดเมื่อใจเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าทั้งชีวิตไม่มีทางหยุดเสียงดา่าคุณจะเกิดการตัดสินใจไม่เก็บเสียงด่าไว้ในหัวและอุบายฝึกใจที่ดีที่สุดที่จะไม่เก็บเสียงด่าไว้คือระงับเสียงโต้ตอบของตัวเองลง ต่อไปทุกครั้งที่สมองทำงานเล่นวนเสียงด่าแบบที่คุณควบคุมไม่ได้ให้มีสติยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเองคุณไม่ได้เชื้อเชิญมันเข้ามาอยู่ในหัวก็แค่ค่ามันเท่ากับฝุ่นทรายหน้ารังคาญอย่าให้ใจซัดทรายพิษโตตอบก็จะเกิดภาวะผ่านมาเองผ่านไปเองโดยคุณไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลย ยิ่งปล่อยผ่านตำนานขึ้นเท่าไรคุณจะยิ่งพบคุมทรัพย์ภายในคือใจที่เลิกด่าตัวเองได้